สัรุณอุทยพยาญากถาเพราะลานิจสัญญาเป็นต้นอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิปัสนามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นด้วยประการดังกลา่าวมานี้โยคีท่านนั้นเป็นผู้มีญาณหมดจดวิเศษถึงฟังฟ้าแห่งสัมมาสนญาาแล้วจึงเริ่มทำความเพียรเพื่อบรรุอุทยพย า, ยานุปาานัสนาญาณ ซึ่งท่านกล่าวไว้ในลำดับแห่งสมัสนาญาณว่าปัญญาในการเห็นเนืององซึ่งความแปรผันของปัจจุบันธรรมทั้งหลายชื่อว่าอุทยพยานุปัสนาญาณดังนี้และเมื่อเริ่มทำรรก็เริ่มต้นโดยสังเขปก่อนในการเริ่มต้นโดยสังเขปนั้นมีพระบาลีแปลความดังต่อไปนี้ ถามว่าปัญญาในการเห็นห น, นึ่งเนืองซึ่งความแปรผันของปัจจุบันธรรมทั้งหลายชื่อว่าอุทยพยานุปัสนาญาณเป็นอย่างไรตอบว่าปัญญาในการเห็นหนึ่งเนืองซึ่งความแปรผันของธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันชื่อว่าอุทยพยานุปัสนาญาณคือรูปที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบัน ลักษณะแห่งความเกิดของรูปนั้นเป็นอุทยะคือความเกิดขึ้นลักษณะแห่งความแปรผันของรูปนั้นเป็นวยะคือดับไปปัญญาเห็นเนืองเนืองเป็นยานและโดยในยะเดียวกันเวทนาที่เกิดแล้วสัญญาที่เกิดแล้วสังขารที่เกิดแล้ว วิญญาณที่เกิดแล้วจากสุที่เกิดแล้วจนถึงภพที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบันลักษณะแห่งความเกิดของภพนั้นเป็นอุทยะความเกิดขึ้นลักษณะแห่งความแปรผันเป็นวยะความดับไปปัญญาเห็นเนืองเนืองเป็นญาณดังนี้ โยคียท่านนั้นเห็นอยู่เสมอเนืองเนืองซึ่งลักษณะแห่งความเกิดซึ่งความเกิดซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งอาการหม่เอี่ยมของนามและรูปที่เกิดแล้วว่าอุทยะคือความเกิดขึ้น <c oughs> เห็นอยู่เสมอเนืองเนืองซึ่งลักษณะแห่งความแปรผันซึ่งความสิ้นหวังซึ่งความแตกดับไปว่าวยะความดับไป ตามในัยยะแห่งพระบาลีดังกล่าวนี้โยคีนั้นกําหนดรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแต่การเกิดขึ้นของนามและรูปนี้กองหรือที่เก็บไว้ของนามและรูปที่ยังไม่เกิดขึ้นหามีไม่แม้เมื่อนามและรูปเกิดขึ้นอยู่ก็หามีที่เรียกว่าการมาจากกองหรือที่เก็บไว้ใหม่ แม้เมื่อนามและรูปกําลังดับอยู่ก็หามีที่เรียกว่าไปสู่ทิศใหญ่และทิศน้อยไม่แม้นามและรูปที่ดับไปแล้วก็หามีสถานที่ตั้งโดยเป็นกองโดยเป็นที่เก็บไว้โดยเป็นที่ฝังไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งมิได้เปรียบเหมือนพินเมื่อบริแรงอยู่ ก่อนแต่การบังเกิดขึ้นของเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้วหามีที่เก็บเสียงไว้ก่อนใหม่เสียงที่กำลังบังเกิดขึ้นก็ไม่ได้มาจากที่เก็บเสียงไว้เมื่อเสียงดับไปก็ไม่ได้มีการไปสู่ทิศใหญ่และทิศน้อยเสียงที่ดับไปแล้วก็ไม่ได้เก็บไปตั้งอยู่หน้าที่ไหนไหนเสียงพินนั้นไม่มีอยู่ก่อน เกิดมีขึ้นเพราะอาศัยพินและการบรรเลงพินและความพยายามอันควรแก่การบรรเลงนั้นของบุรุษโดยแท้แลครั้นเสียงของพินนั้นมีแล้วก็กลับหายไปชั้นใดธรรมะทั้งหลายทั้งที่มีรูปและที่ไม่มีรูปแม้ทั้งปวงไม่มีก็มีขึ้นมีแล้วก็กลับดับไปชันนั้นดังนี้ ห้าสบลักษณะของการเกิดและดับของขันห้าโยคีนั้นครั้นท ร, รมานสิการความเกิดและความดับโดยสังเขตอย่างนี้แล้วจึงรรมานสิการโดยพิจารณาทางปัจจัยและทางขณะต่อไปอีกว่าความเกิดขึ้นของรูปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ความดับไปของรูปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ รูปเกิดขึ้นแม้ด้วยอาการอย่างนี้รูปดับไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นตน้นด้วยสามารถแห่งลักษณะห้าสิบซึ่งท่านกล่าวไว้ในวิพังแห่งอุทยาพยายานี้นั่นเองเพราะทาจำแนกให้เป็นขันละสิบโดยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของคันหนึ่งหนึ่งแต่ละคันอย่างนี้ 5ลักษณะแห่งความเก ok ิดข <teenage> ึ้นของรูปปัจ <realidade> ขัน <convention> ธ <karang> ์พระภิกษุเห็นความเกิดขึ้นของรูปปัจขันธ์โดยความหมายว่าเกิดขึ้นเพราะปัจัยคืออวิชชาสมุทธยารูปะสมุทโยเพราะอวิชชาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นหนึ่งเห็นความเกิดขึ้นของรูปปัจขันธ์ โดยความหมายว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือตันหาสมุททยากรรมสมุททยาอาหาราสมุททยารูปะสมุทโยเพราะตันหาเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นหนึ่งเพราะกรรมเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นหนึ่งเพราะอาหารเกิดขึ้นรูปจึงเกิดขึ้นหนึ่งทั้งเมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิด ก็เห็นความเกิดขึ้นของรูปปัจขันด้วยหนึ่งเมื่อเห็นความเกิดขึ้นของรูปปัจขันก็เห็นอยู่ห้าลักษณะเหล่านี้หลักษณะแห่งความดับของรูปปัจขันพระภิกษุเห็นความดับของรูปปัจขัโดยความหมายว่าดับไปเพราะปัจจัย คืออวิชชานิโรธารูปานิโรโทเพราะอาวิชชาดับไปรูปจึงดับไปหนึ่งเห็นความดับไปของรู ป, ปรขันธ์โดยความหมายว่าดับไปเพราะปัจจัยคือตันหานิโรธากัมมะนิโรธาอาหารานิโรธารูปานิโรโทเพราะตันหาดับไปรูปจึงดับไปหนึ่งเพราะกรรมดับไป รูปจึงดับไปหนึ่งเพราะอาหารดับไปรูปจึงดับไปหนึ่งทั้งเมื่อเห็นลักษณะของความแปรผันก็เห็นความดับของรูปประคันด้วยหนึ่งเมื่อเห็นความดับของรูปประคันก็เห็นอยู่ห้าลักษณะเหล่านี้ห้าลักษณะแห่งความเกิดของเวทนาขันเป็นต้น อัหนึ่งพระภิกษุเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาขันโดยความหมายว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยคืออวิชชาสมุททยาเวทนาสมุทโยเพราะอวิชชาเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นหนึ่งเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาขันโดยความหมายว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือตัณหาสมุทยากรรมสมุทิยาผัสสะสมุทยา เวทนาสมุทโยเพราะตัณหาเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นหนึ่งเพราะกรรมเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นหนึ่งเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นหนึ่งทั้งเมื่อเห็นลักษณะเห็นความเกิดขึ้นก็เห็นความเกิดขึ้นของเวทนาขันด้วยหนึ่งเมื่อเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาก็เห็นอยู่ห้าลักษณะเหล่านี้ ห้าลักษณะแห่งความดับของเวทนาขันเป็นต้นพระภิกษุเห็นความดับของเวทนาขันโดยความหมายว่าดับไปเพราะปัจใจคืออวิชชานิโรธาตัณหานิโรธากัมมะนิโรธาภัณสานิโรธาเวทนานิโรโธเพราะอาวิชชาดับไปเวทนาจึงดับไปหนึ่งเพราะตัณหาดับไป เวทนาจึงดับไปหนึ่งเพราะกรรมดับไปเวทนาจึงดับไปหนึ่งเพราะพัสดะดับไปเวทนาจึงดับไปหนึ่งทั้งเมื่อเห็นลักษณะของความแปรผันก็เห็นความดับของเวทนาขันด้วยหนึ่งเมื่อเห็นความดับของเวทนาขันก็เห็นอยู่ห้าลักษณะเหล่านี้และของสัญญาขัน ของสังขารขันและวิญญาณขันก็เหมือนของเวทนาขันส่วนของวิญญาณขันมีความแตกต่างกันดังนี้คือในที่ผัสสะเปลี่ยนเป็นว่านามรูปะสมุทยานามะรูปะนิโรธาเพราะนามและรูปเกิดขึ้นเพราะนามและรูปดับไปดังนี้ เมื่อโยคีนั้นมานัศิกาอยู่อย่างนี้ยานคือความรู้ว่าทรบาบว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีแล้วมีขึ้นมีแล้วกลับดับไปด้วยประการชนนี้ก็ปรากฏแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเมื่อโยคีนั้นเห็นความเกิดและความดับโดยสองทางคือโดยปัจจัยหนึ่งและโดยขณะหนึ่งอยู่อย่างนี้ ความแตกต่างกันของสัจจะของปฏิจจสมุปบาทของนัยยะและของลักษณะก็ปรากฏชัดเห็นโดยปัจจัยและโดยขณะเพราะว่าการที่โยกีนั้นเห็นความเกิดขึ้นของขันทั้งหลายเพราะมีปัจจัยคืออวิชชาเป็นต้นเกิดขึ้น และเห็นความดับของขันทั้งหลายเพราะมีปัจจัยคืออวิชชาเป็นต้นดับไปนี้เป็นการเห็นความเกิดและความดับโดยปัจจัยของโยคีนั้นแต่ว่าการที่โยคีเห็นอยู่ซึ่งลักษณะแห่งความเกิดและลักษณะแห่งความแปรผันก็เห็นความเกิดและความดับของขันทั้งหลายนี้เป็นการเห็นความเกิดและความดับโดยขณะ ขโยขีนนั้เพราะว่าลักษณะแห่งความเกิดคือนิพพัตติลักษณะก็มีเฉพาะในขณะเกิดขึ้นเท่านั้นและลักษณะแห่งความแปรผันก็มีเฉพาะในขณะแตกดับคือพังคะขณะเท่านั้นเพราะเหตุนี้เมื่อโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยสองทาง คือโดยปัจจัยหนึ่งและโดยขณะหนึ่งอยู่อย่างนี้สมุทัยศสัตร์ก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงปัจจัยผู้ให้เกิดทุกขศัตร์ก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงว่าความเกิดเป็นทุกข์นิโรธศัต์ ก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความดับโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงความไม่เกิดขึ้นของธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยเพราะความไม่เกิดขึ้นของปัจจัยทุกข์ขั์อีกนั่นแหละปรากฏชัดด้วยการเห็นความดับไปโดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงว่าความตายเป็นทุกข์ และการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยปัจจัยและโดยขณะของโยคีนั้นนี้เป็นมัคฝ่ายโลกิยะเพราะเหตุนี้มัคขสัตย์จึงปรากฏชัดเพราะกําจัดเสียได้ซึ่งความฟั่นเฟือในความเกิดขึ้นและความดับไปนั้นอันหนึ่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมก็ปรากฏชัดแก่โยคีนั้น ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงว่าอิมัสหมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้จึงมีดังนี้ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏิโลมก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความดับไปโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงว่าอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุชติ เพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับดังนี้แต่ว่าธรรมะทั้งหลายที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมะปรากฏชัดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงสังขตรลักษณะว่าเพราะธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายมีความเกิดและความดับ และธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้อันหนึ่งเอกตะไนในยะแห่งความเป็นธรรมะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ปรากฏชัดแก่โยคีนั้นด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงความไม่ขาดสายของความสืบต่อ ด้วยความสัมพันธ์ของเหตุและผลในขณะนั้นโยคีก็ละอุเฉทิตฐิิได้ดียิ่งขึ้นนานัตต น, นัยในยะแห่งความเป็นธรรมะต่างๆกันก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงความเกิดขึ้นของสังขารใหม่ๆในขณะนั้น โยคีก็ละ ส, ะสะตัตตตถิฐิได้ดียิ่งขึ้นและอัยยาปารณัยในยะแห่งความไม่ขวนขวาวก็ปรากฏชัดแกโยคีนั้นด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงความที่ธรรมะทั้งหลายไม่เป็นไปในอำนาจในขณะนั้นโยคีก็ละอัตตทถิฐิ ความเห็นว่ามีอัตตาได้ดียิ่งขึ้นและเอวังธรรมตาในในยะแห่งความเป็นธรรมดาของธรรมะทั้งหลายอย่างนั้นเองก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงความเกิดขึ้นของผลโดยสมควรแก่ปัจจัยในขณะนั้นโยคีก็ละอากิริยาทิฏฐิ ความเห็นว่ากรรมที่กระทำไปไม่เป็นกรรมได้ดียิ่งขึ้นอนหนึ่งอนันตลักษณะก็ปรากฏชัดแกโยคีนั้นด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงความที่ธรรมะทั้งหลายเป็นไปต่อเนื่องด้วยปัจจัยโดยปราศจากการกระทำอนนี้จะลักษณะก็ปรากฏชัด ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงความมีและความไม่มีคือเกิดแล้วดับและเพราะรู้ลงไปถึงความว่างเปล่าของปัจจัยอันเป็นที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายด้วยแม้ทุกขลักษณะก็ปรากฏชัดเหมือนอนันตลักษณะเพราะรู้ลงไปถึงความเบียดเบียนเฉพาะหน้า ด้วยความเกิดขึ้นและความดับแม้สภาวะลักษณะก็ปรากฏชัดเหมือนทุกขลักษณะเพราะรู้ลงไปถึงธรรมะที่กำหนดด้วยความเกิดขึ้นและความดับไปแม้ความที่สังขตะลักษณะเป็นไปเพียงชั่วขณะก็ปรากฏชัดในสภาวะลักษณะคือลักษณะโดยสภาพตามเป็นจริง เช่นไฟร้อนน้ำเหลวเพราะรู้ลงไปถึงความไม่มีแห่งความดับในขณะแห่งความเกิดขึ้นและเพราะไม่มีความเกิดขึ้นในขณะแห่งความดับไปชะนี้แลเมื่อโยคีนั้นเป็นผู้เห็นความแตกต่างกันของสัจจะของปฏิจจสมุปบาทของไตยะและของลักษณะ ปรากฏชัดอย่างนี้สังขารทั้งหลายก็ปรากฏเป็นของใหม่อยู่เป็นนิดทีเดียวว่าทราบว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีชื่ออย่างนี้ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อนก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่ใช่แต่ปรากฏเป็นของใหม่อยู่เป็นนิดเท่านั้นสังขารทั้งหลายยังปรากฏว่ามีปกติตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อย ประดุดหยาดน้ำค้างในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นประดุดฟองน้ำประดุดรอยขีดด้วยไม้บนผิวน้ำประดุดเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มและประดุดสายฟ้าแลบอีกทั้งปรากฏว่าไม่มีแก่นสารและไราสาระประดุดมายากลพยับแดดความฝันค่วงด้นฟืนที่ติดไฟคนทำพนครคือวิมานในอากาศ ฟองน้ำและต้นกล้วยเป็นต้นด้วยภาวนาวิธีเท่าที่กล่าวมานี้เป็นอันว่ายโยคีท่านนี้ได้บรรลุแล้วซึ่งตรุณวิปัสนาญาณอันดับแรกมีชื่อว่าอุทยพยานุปัสนาญาณในวงเล็บอย่างอ่อนซึ่งแทงตลอดลักษณะครบถ้วนห้าสิบโดยอาการน้ว่า สิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความดับไปดังนี้ซึ่งโดยเหตุที่ได้บรรลุตรุณวิปัสนาญาณนี้โยคีท่านนั้นก็ถึงการนับว่าอารัฐวิปัสโกผู้เริ่มต้นบำเพ็ญวิปัสนา